จนจะลืมมั้งถึงหาระไหนละ เ, เวรวั จ, จะนะหาระนะเราทั้งหลายนี่คงไม่ลืมนะคำเดิปกรนี่แปลว่าคมภีที่คำพีที่นําไปสู่มรรคผลนิพพานเนตินี่แปลว่านําไปนําไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะว่าเป็นคมภีที่กล่าวถึงข้อปฏิบัติ เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานอันคำว่าเนติตัวนี้แปลว่านำไปสู่มรรคผลนิพพานเ น, นตินั้นมีอยู่3มอย่างด้วยกันในคัมภีร์เนติเนี่ยนะหนึ่งหาระสองนยะส า, สาศาสนประฐานตอนนี้เราเรียนหาระอยู่หาระมีความหมายว่าวิธีกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์ เป็นวิธีการศึกษาการเรียนรู้เพื่อไม่ให้เข้าใจคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันประกอบไปด้วยองค์9้าผิดนะถ้าหากว่าใครที่แข่งครัดศึกษาปฏิบัติตามหลักเนติปกรณ์โดยเฉพาะหาระเหล่านี้จะไม่เข้าใจผิดในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถ้าเข้าใจผิดก็จะนํามาซึ่งความตรึกที่ผิดใช่ไหมถ้าเห็นผิด ก็เอามาคิดผิดพูดผิดถ้าพูดผิดมันก็ทะเลาะกันเนยถ้าทะเลาะกันก็ขาดเมตตาซึ่งกันและกันก้าวล่วงกันด้วยทุจริตกรรมทั้งหลายบาปอากุศลก็ทะลักไหลเข้ามาแต่ถ้าหากว่ามีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนไม่ผิดไม่พลาดความเห็นอันนั้นก็เป็นสัมมาทิฐิเป็นปัญญาเป็นสุตตะมยะปัญญาเป็นต้น ปัญญาที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นเหตุให้ตรึกถูกต้องเป็นสัมมาสังกัปปะวาจาที่พูดออกมาก็เป็นสัมมาวาจาไม่มีการขัดแย้งกันโดยคําพูดเมื่อไม่ขัดแย้งกันก็มีเมตตาแก่กันและกันมองกันด้วยสายตาอันเป็นที่รักเข้ากันได้ประดุดน้ํากับน้ํำนมเข้ากันได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้น เข้ากันได้อย่างนั้นแต่ถ้าน้ํากับน้ํามันเลยน้ํากับน้ํามันก็เข้ากันไม่ได้ท่านเทน้ำมันบนน้ําน้ํามันก็ไม่เปื้อนด้วยน้ํามันจุดไฟเผาน้ํามันบนหลังน้ําก็ได้เพราะว่ามันไม่เข้ากันฉันใดผู้ที่ขาดความเข้าใจในพระธรรมเหมือนกันเข้าใจพระธรรมแตกต่างกันก็จะทําให้ขาดเมตตาต่อกันและกัน มองกันด้วยสายตาที่เหยียดหยามเหเหยียดหยามกันไปหยามกันมาก็ได้ทะเลาะกันพอทะเลาะกันก็เปรียบอุปมาเหมือนว่าคนเปื้อนโคลนมาทะเลาะกันข้างๆบ่อน้ำก็เลยไม่ต้องอาบน้ำกันแล้วมัวแต่ทะเลาะกันก็เลยสาดโคลนเล่นกันอยู่นั่นแหละก็เลยไม่ได้มีเวลาอาบน้ำกันแต่ถ้ามีความรู้ความเห็นมีความเข้าใจในพระธรรมเหมือนกัน ก็จะมองกันด้วยสายตาอันเป็นที่รักร่วมกันศึกษาและปฏิบัติตามคำสอ น, น, นเมื่อตั้งใจปฏิบัติคำคำสอนผู้ปฏิบัตินั่นแหละปฏิบัติตามคาสอนแล้วจะถึงความพ้นทุกข์แต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็น่าเสียดายนี่นะ น, น่าเสียดายเสียดายอะไรเอ่ยเสียดายเวลาชีวิตเนี่ยนะเสียดายชาติกำเนิดเสียดายบุญเก่าที่อุตส่าห์ทำมาเป็นอย่างดี นะต้นทุนมาดีมากแต่ว่าเอามาละเลงเรื่องอื่นตะเกลี้ยงเลยนะก็ขาดทุนชีวิตหมดเลยขาดทุนบุญเก่ากันแล้วก็พบต่อไปที่ไปในพบต่อไปจะไปที่ไหนกันหนาะในเนติปกรณ์เววัจนะหาระนั้นกล่าวถึงหลายอย่างด้วยกันแต่ที่น่าสนใจเพิ่มเติมเนี่ยนะ ก็คือเกี่ยวกับเรื่องพุทธานุสติไวยพจน์ของคำที่ใช้แทนพระพุทธคุณถ้อยคำที่ใช้แทนพระธรรมคุณถ้อยคำที่ใช้แทนพระสังฆคุณเป็นต้นซึ่งถ้อยคำเหล่านี้ทำให้เรารู้จักพระรัตนตรยัยชัดเจนยิ่งขึ้นเราก็มาดูนะว่าทุกบททุกบทนี่เราสงสัยไหมเรามีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไหม ใกล้จะเป็นพระโสดาบันได้หรื อ, อยังเอามาเช็คนะบทนี้ก็ไม่งงบทนี้ก็ไม่เห็นรู้เรื่องบทนี้ก็ยากจังเลยก็โอ้อีกนานนะอีกนานที่จะเป็นพระโสดาบันเพราะพระโสดาบันคือใครคือผู้ที่มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแปลว่าไม่มีความเคลือบแคลงไม่มีความสงสัยมีใจโอนเอ็นไปหาพระตนะตรัยโดยส่วนเดียวมีศรัทธาตั้งมั่นนะไม่เปลี่ยนแปลง ฟังพฟังพุทธคุณคาถาฟังธรรมคุณคาถาสังคคุณคาถาเป็นต้นฟังแล้วก็มีใจเอิบอิ่มใจผ่องใสใจเป็นไปกับศรัทธาและปีติเป็นต้นนันศรัทธาปีติของเขาก็จะตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยแต่ถ้าฟังคุณของพระพุทธเจ้าฟังคุณของพระธรรมหรือฟังความปฏิบัติ ด, ดีของพระสงฆ์เป็นต้นฟังแล้วรู้สึกลำคาญอันนี้บอกถึงอะไร บอกถึงโอ้โหคนยากในธรรมวินัยนี้เพราะคนยากในธรรมวินัยนี้คือผู้ที่ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยเมื่อไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยก็ไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมเขาจะโอนจิตให้เป็นไปกับกุศลไหมเขาตั้งจิตให้กุศลจิตเกิดไหมเอกุศลจิตนี้ต้องตั้งไว้ก่อนไหมกุศลใดๆที่จะเกิดขึ้นต้องตั้งไว้ก่อนหรือว่ารอให้มันรอร อ, ร อ, รอมันจะเกิดมันก็เกิดมันเองไม่ กุศลธรรมเบื้องต้นเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมหลังๆนะตั้งหลายปัจจัยใช่ไหมแต่ที่สนใจมากคืออุปนิสัยปัจจัยมันถ้าเราไม่ตั้งจิตให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อไปอย่างบางท่านที่ศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าศึกษาคุณพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะฟังแล้วโอ้โหอะไรจะเฉยเท่านี้ไม่มีอีกแล้วเหมือนกับพูดโอโ้ประวัติคนนั้นคนนี้ยังตื่นตาตื่นใจใช่ไหม ก็ฟังพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณเนี่ยโอ้ยมันเศร้าซึมเงาไอยนั่นก็ฟังอะไรก่อนไม่รู้ทีนี้เขาทํำยังไงเขาก็สมาทานสิสักวันเถอะนะปีติต้องมีในพุทธคุณเนีะจะต้องมีปีติในถ้าธรรมต้องมีปีติในพระสงฆ์อย่างผู้การนี่แห้งแรงมากไหวใจดีตอนต้นๆนะตอนนี้แบบอาทิตย์สมาทานไม้ไงนะพูกการให้มีปีติใช่ไหมตอนหนังก็ได้ข่าวว่ามีปีติในพระพุทธคุณมากขึ้น เพราะถ้าไม่มีปีติเลยนี่ก็เหมือนกับมากินข้าวไม่เคยอิ่มเลยเหมือนกันน่เพราะว่าปีตินี่แปลว่าความอิ่มอะไรอิ่มใจปีตินี่แปลว่าอิ่มใจท่านคนที่ศึกษาพระธรรมแล้วไม่เกิดปีติก็เหมือนว่าเกิดมาไม่เคยบริโภคอาหารอิ่มท้องเลยหิวตลอดคนที่ศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันถ้าไม่เคยเกิดปีติในธรรมเลยไม่เคยเกิดปีติในคุณของพระพุทธเจ้า ไม่เคยมีปีติในคำสอนของพระองค์ไม่เคยมีติในความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายก็คือคนยากไร้ที่ไม่มีอาหารพอจะอิ่มท้องเนี่ยนะไม่มีอาหารพอที่จะอิ่มใจไม่มีผัสสาหารที่รับกระทบในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพราะผัสสะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปีติภัสสะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสังขารขันคือปีติมันถ้าเรารับกระทบในพุทธคุณแล้วปีติไม่เกิดแสดงว่าเรานิพร่องมาก ห้องของเราพร่องมากสภาพจิตของเรานี้พร่องจากกุศลธรรมเหลือเกินเราเป็นคนกันดามจรงิจรงๆเป็นคนแห้งแล้งทางความคิดเหมือนกันน่ยเป็นความคิดที่ที่น่าสงสารมากทําไมจึงน่าสงสารก็ดูความคิดตัวนั้นนําเกิดสิจะเกิดที่ไหนดีอย่าลืมว่าความคิดทุกๆความคิดมันเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์พืชที่เพาะขึ้นหมดเลยทุกๆความคิดนะ ความคิดที่เพราะไม่ขึ้นปลูกไม่ขึ้นนําเกิดไม่ได้มีอยู่ตัวเดียวอุทจจะสัมปยุตความคิดที่เหลือนําเกิดได้หมดเลยเมื่อมันนําเกิดได้สมมติเราเป็นความคิดที่ศรัท ธ, ธาอ่อนกําลังเต็มทีปีติก็ไม่เกิดก็เป็นกุศลที่มีแต่โสภณะสาธารณะเท่านั้นไม่มีองค์ประกอบอย่างอื่นเลยตะกินกะเจตสิกก็ไม่เกิดร่วมด้วยโสภณะก็สักแต่ว่าเกิดเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยว่ชาตินาาจะเป็นยังไงก็แห้งแรง นแห้งแรงจริงๆแห้งแล้งแบบไหนก็ยอมเคยเห็นคนหน้าแห้งแรงไหมนะเกิดมาเนี่ยมันเป็นคนที่สิ้นความหวังเป็นคนที่ไร้ความหวังนั่นเขาบุญเก่ามันมันไม่ทําไว้ไม่ดีอ่ะนะทำบุญเก่าไว้ไม่ดีชีวิตนี้ก็เลยมีแต่ความอับเฉาแห้งแรงนะแห้งแรงแม้กระทั่งผิวพรรณรูปร่างแห้งแล้งเสื้อผ้าแห้งแล้งสารพัดอย่างที่ที่สุดแท้แต่จักกันดานเพราะเขาไม่มีปีติใน กุศลธรรมโดยเฉพาะไม่มีศรัทธาที่จะให้กุศลธรรมเกิดทีนี้กุศลธรรมที่สําคัญมากเป็นกุศลธรรมชั้นพิเศษคือกุศลธรรมที่มีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์มีพระธรรมคุณเป็นอารมณ์มีพระสังคคุณเป็นอารมณ์บางคนก็บอกเฮ้ยนี่มัวแต่ฟังพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณอยู่นะเสียเวลาปฏิบัติหมดไหมว่าถูกไหมเสียเวลาปฏิบัติจริงๆรงมัวแต่พูดพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเนี่ยนะ ยอมว่าเสียเวลาไหมอย่งนีก็ทิ้งทางตรงแล้วจะไปเดินทางอ้อมอีกแล้วเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมีไหมที่เว้นจากการนั้นถึงคุณพระรัตนตรัยย่งนีพระพุทธพระภิสุสมัยพุทธกาลเนี่ยนะสมัยพระผู้มีพระภาคยังมีพระชนอยู่เวลาท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติอะไรก็คือท่านเอาเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาคิดนั่นแหละทีนี้พระพุทธในความรู้สึกของเราเนี่ยคือใคร ทำไว้ให้ดีนะทําใจไว้ให้ดีพระพุทธเจ้าในความรู้สึกของเขาเนี่คือใครคือผ้าอรหันผ้าอรหันอยู่ที่ไหนความเป็นผ้าอรหันของพระองค์อยู่ที่ไหนสัมมาสัมพุโทโธของพระองค์อยู่ที่ไหนวิชาจารณะสัมปันโนสุก โ, โตโลกวิทวานุต โ, ตโรปุริสธรรมสารติสัตถาเทวมนุษย์สานังพุโทโธพขวาวุณธรรมแต่ละอย่างที่กล่าวไปของพระองค์อยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนหนอตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เจดีใช่ไหม ใช่ไหมอยู่ที่พระพุทธรูปแล้วอยู่ที่ไหนแล้วกันนี้อยู่ที่ศรัทธาของเราเป็นต้นอยู่ที่ปัญญาของเราถ้าเรามีศรัทธามีปัญญาพอเราจะเห็นคุณของพระเห็นอรหันตคุณทุกหนทุกแห่งและทุกอารมณ์ทุกการและทุกสถานที่นั้นพระองค์จึงสอนให้เจริญพุทธคุณเนี่ยแม้แต่เวลานอนอยู่กับลูกว่า ง, งั้นเถอะนอนอยู่กับลูก นอนเบียดเสียดอยู่กับบุตรภรยาก็เจริญพุทธานุสติได้เพราะขณะนั้นก็เอาพุทธานุสติมาเจริญได้เจริญว่าพราะองค์นี้เป็นผู้เป็นรรพระอรหันต์พระองค์ไม่มีกิเลสเหล่านี้แล้วเนี่ยนะพระองค์เอาสิ่งเหล่านี้มารู้ยิ่งมาละทําให้แจ้งเจริญพระองค์ปฏิบัติธรรมได้อย่างมากเลยนะปฏิบัติธรรมหาประมาณไม่ได้ธทมานุสติก็เหมือนกันถามว่าในขณะที่เรากําลังเพลิดเพลินเราระลึกถึงพระธรรมได้ไหม ทำไมจะไม่ได้เพราะธรรมะมีสี่ประการคืออริยสัจจะทำใช่ไหมตอนนี้เรากําลังคลุกคลีอยู่กับทุกขสัจหรือสมุ ท, ทยัยสัตเดี๋ยวนะถ้าคลุกคลีอยู่ทุกขสัจอยู่ทุกตรงตรงตร ง, ต, ร ง, ต, รงตัวแล้วใช่ไหมถ้ากําลังเพลดิดเพลินก็ด้วยอํานาจสมุ ท, ทยัยมันก็ทําให้ในใจเธอว่าความเพลดิดเพลินที่ใดทุกข์ก็จะไหลมาจากที่นั้นๆันั่นแหละก็ระลึกถึงพระธรรมได้โดยเฉพาะระลึกถึงอริยสัจจะทำ อย่างที่พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็คือแสดงอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมที่ไหนมัางเอามาคิดไม่ได้คิดนะทุกแห่งในป่าในบ้านในเขาก็เอาอริยสัจมาคิดได้เนี่ยเสร็จแล้วพระสงค์ท่านปฏิบัติเพื่ออะไรก็ปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทีนี้หลักการปฏิบัติเพื่อให้เห็นอริยสัจธรรมท่านปฏิบัติอย่างไรสุสุสุส ป, ปฏิปันโนหรือสุปฏิปันโน สุหรือสุขตัวนั้นเนี่ยไม่ต่างกันเพราะซ้อนปลอป่าเข้ามาพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วในะเนติปรกรณ์าเจ็ดสิบน ะ, ะคำว่าพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยแปลว่าสงเนี่ยแปลว่าหมู่หมู่ของชนผู้เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิอนันนี้เน้นที่พระระยะสงนะ พระโสดาบันจะมีศีลไม่ต่างกันกับพระโสดาบันด้วยกันพระสกทาคามีเป็นต้นก็มีศีลไม่ต่างกันแล้วพระโสดาบันก็มีความเห็นเสมอกันในการเห็นอริยสัจพระสกทาคามีพระอนาคามีเป็นต้นท่านก็มีความเห็นเสมอกันในการเห็นอริยสัจท่านเห็นอริยสัจเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระอริยสาวกเนี่ยท่านเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิ พระอริยะสาวกจะไม่ถกเถียงกันในเรื่องศีลและทิฏฐิตัวพระอริยะนะแต่ผู้ที่กําลังสมัครเป็นอริยะไม่แน่อาจจะเถียงกันบ้างนะแต่ว่าถ้าเป็นพระอริยะไปแล้วจะไม่มีการถกเถียงกันในเรื่องของศีลและทิฏฐิเพราะอะไรเพราะถ้าพระอริยะทั้งหลายถ้าโดยเฉพาะพระวินยัยเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ยอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นท่านจะไม่ปฏิเสธทีนี้ในส่วนมรรคศีลศีลที่เกิดในองค์มรรคของท่านก็ เสมอกันเนี่ยนะวีรตีของท่านเหล่านั้นก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันมันระสาวก e เนี่ยทีนี้คำว่าสาวกแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ฟังผู้ฟังอ้าวของเราก็ผ่านหูเหมือนกันไม่ใช่เหรอก้อาวเราก็ได้ยินนี่แต่ทำไมไม่เรียกผู้ฟังเพราะไม่ได้ทำกิจของการฟังผู้ที่ทำกิจของการฟังนี่ทํากิจยังไงทำกิจสิบกใช่ไหมเป็นต้น หรือทากิจแบบสังเกตดูนะปฏิสัมพิธามมากอ่ะ น, นะผู้ที่ฟังเขาฟังอะไรฟังว่านี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรกาหนดรู้นี้ควรละนี้ควรทำให้แจ้งนี้ควรเจริญนี้ทาฝ่ายฝ่ายเสื่อมนี้ฝ่ายตั้งอยู่นี้ฝ่ายวิเศษขึ้นนี้ฝ่าย ชั่มแรกกิเลสนี้ไม่เที่ยงนี้เป็นทุกนี้เป็นอนาัตตานี้อันนี้จังนี้ เ, เข้ไปนี้ทุกนี้ทุกขสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขนิโรธคามมินีปฏิปทาผู้ที่ฟังจริงๆเขาฟังแบบนั้นนะส่วนที่เหลือได้ยินแว่วๆเสียงแว่วๆม า, านะผ่านตา ม, มาอะไรเป็นต้นเนี่ยนะงั้นผู้ที่ฟังจริงๆนั้นที่เรียกว่าอริยสาวกผู้ฟังนั้นะ่ะฟังแล้วทากิจเหล่านั้นจึงเรียกว่าผู้ฟัง ฟังแล้วทํากิจเหล่านั้นจนเห็นอริยสัจเรียกว่าผู้ฟังเพรา ะ, ะบุคคลที่เหลือจึงเรียกว่าเป็นผู้ผู้นับถือยังไม่เรียกว่าเป็นสาวกเรียกว่าผู้นับถือเฉยๆเรียกว่าพุทธามกะธรรมามะก ะ, มม ะ, ม ะ, กะสังกมามะกะหรือผู้ที่ถึงไตรสรณะแต่ถ้าเป็นพระอริยาสาวกท่านทํากิจแห่งการฟังอย่างแท้จริงเนี่ยนะโดยเฉพาะทํากิจสัจจิกาตะพภะคือทํากิจคือการทําให้แจ้งใน พระนิพพานได้อย่างแท้จริงพันหมู่คณะที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วทากิจในอริยสัจ ส, สี่ตามสมควรแก่มักทั้งหลายมีโสดาปติมักเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นผู้เสมอการด้วยศีลและทิฏฐิทีนี้ความประพฤติมัญยาต ก, การปฏิบัติของท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งมั่นอยู่ในสัมมาปฏิปทา สัมมาแปล ว, ว่าถูกต้องไม่ผิดพลาดการปฏิบัติของท่านการปฏิบัตินี้ถ้าแบ่งออกมาแล้วมันก็มีอยู่สามทวารเท่านั้นนะเนาะทวารไหนบ้างกายวาจาและใจเนี่ยนท่านปฏิบัติดีทางกายท่านปฏิบัติดีทางวาจาปฏิบัติดีทางใจท่านไม่ปฏิบัติชั่วทางกายวาจาและใจเนี่ยนะพันปุตุชนทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความ ชั่วร้ายมีความไม่ดีบางคนก็ไม่ดีทางกายบางคนก็ไม่ดีทางวาจาบางคนก็ไม่ดีทางใจเพราะเขายังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้ทากิจของความเป็นสาวกจะให้เขาซื่อตรงได้อย่างไรมันเขาเหล่านั้นจึงปฏิบัติผิดทางกายบ้างปฏิบัติผิดทางวาจาบ้างปฏิบัติผิดทางใจบ้างสมัยใหม่คนชอบยัดเยียดเอาปุตุชนไปตั้งไว้ในตำแหน่งพระ อริยะก็บอกว่าทำไมแกเลวจังเลยไม่เหมือนพระโสดาบันเอาเขาไม่ใช่พระโสดาบันนี่นะก็เลยกลายเป็นว่าเอาตําแหน่งทั่วๆไปเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนดีนะเขาน่าจะประเสริฐอย่างนั้นเขาน่าจะดีอย่างนี้เป็นต้นก็ทําไมไม่ไปถามหาจากภาษารีบุตรหรือภาษาลีบุตรท่านดีมากหมนะพระอนนท์ท่านก็นดีพระมหากัสปะพระอนุรุทธาเป็นต้นเนี่ยท่านเหล่านั้นดีหมดเลยบอกอุย้ยผู้หญิงคนนั้นทําไมไม่ดีเลยเอาทำไมไปร้องไม่หาความดีจากนางวิสาขาล่ะ ผู้ชายคนนั้นฟังธรรมทำไมยังเลวอยู่เลยเอาทําไมไม่ไปหาความดีจากอนาถบินทิกะละ่ะผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแต่คนทั่วๆไปเขายังไม่ดีจริงเขากําลังมาศึกษากําลังมาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนทีนี้ เ, เขาก็มีความผิดบ้างพลาดบ้างก็ให้อภัยกันไปเราอย่าเอาความไม่ดีของคนอื่นมาคิดในี้สิ่งที่เราควรคิดคือความปฏิบัติ ด, ดีของพระอริยาสาวกทั้งหลาย ที่ได้วความปฏิบัติดีเนี่ ย, น, ยนะถ้าเอาตรงตัวตรงสภาวะจริงๆเนี่ยปฏิบัติดีเนี่ยปฏิบัติอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติขณะที่อริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ปดประชุมกันอันนั้นจึงเป็นการปฏิบัติที่เป็นทางสายตรงเป็นการปฏิบัติ ด, ดีทางกายวาจาและใจอย่างแท้จริงนะขณะที่อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดประชุมกันนะทีนี้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเนี่ยนะ จะต้องเป็นไปตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในอนปันนกะปฏิปทาอปันนกะแปลว่าข้อปฏิบัติที่ไม่มีคำว่าผิดไม่มีคำว่าพลาดดังนั้นข้อปฏิบัติที่ดีที่แท้จริงเนี่ยไม่มีคำว่าผิดไม่มีคำว่าพลาดมีแต่ความถูกต้องอย่างเดียว นั้นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นจึงไม่ปฏิบัติปฏิบัติแล้วย้อนกลับมาหากิเลสเช่นพระอรหันต์ท่านจะไม่ย้อนกลับมาเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีก็จะไม่ย้อนกลับมาเป็นพระสกทาคามีพระสกท า, าคา ม, าาคามีท่านก็ไม่ย้อนกลับมาเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันจะไม่มีตกมาจากพระโสดาบันเหลือตําแหน่งปุตุชนนี่ไม่มีไม่มีการถอยกลับเลยไม่มีการ ย้อนกลับเลยพันสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามอภัณฑกะปฏิปท า, ป า, ปาเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ไม่ผิดไม่พลาดไม่ย้อนกลับมาหาบาปและอกุศลอีกอย่างถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนะจะไม่ย้อนกลับมาหาการทูศีลเนี่ยนะทุศีลเช่นถ้าเป็นปุตชาวบ้านทั่วไปก็ไม่กลับไปทูศีลห้าอีกต่อไปเนี่ยนะถ้าเป็นพระสกะทาคามีเป็นต้นก็จะแข้งครัด กิเลสเบาบางกว่าพระโสดาบันถ้าเป็นพระอนาคามีเป็นต้นจะไม่ย้อนกลับมาโกรธอีกเลยไม่มีสิ่งใดทําให้พระอนาคามีโกรธได้เพราะท่านกําจัดความโกรธโดยสิ้นเชิงนั้นท่านปฏิบัติจึงไม่หวนกลับมาหาอ่เอวียนมาเพื่อความเป็นผู้มักมากเวียนมาติดมาคล้องในในภพทั้งหลายไม่ใช่แล้วท่านนั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติอนุโลมต่อพระนิพพาน อนุโลมต่อความสิ้นทุกขโดยสิ้นเชิงคือท่านปฏิบัติในทางสายตรงไงทางสายตรงก็คือถึงจุดหมายเร็วที่ใดเป็นจุดหมายที่นั่นเป็นที่ดับทุกมันท่านจึงปฏิบัติในอนุโลมปฏิปทาอนุโลมต่อการแทงตลอดอริยสัตว์นั้นชีวิตแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปท่านกระทํากรรมด้วยความไม่ประมาทอนุโลมต่อการแทงตลอดอริยสัตว์อยู่ตลอดเวลาท่านพร้อมที่จะเห็นอริยสัตว์ ของเราทั้งหลายเนี่ยตั้งใจว่าพร้อมที่จะเห็นอริยสัจเมื่อไหร่ทีนี้ตั้งใจมานานแล้วก็ไม่สําเร็จสักทีเลยนะไปอินเดียก็จะให้เห็นอริยสัจกลับมาก็ไม่เห็นอีกเลยนะตั้งไว้ยังไงแล้วไม่ทราบตอนนี้ก็ตั้งใจให้พร้อมที่จะเห็นนี้ทุกเป็นต้นเนี่ยนะทำตาเปรีบๆก่อนน้ทุกทุกหรือเปล่าทุกจริงหรือเปล่าจริงทุกเพราะอะไรไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะ ทุกเพราะไม่เที่ยงเป็นต้นนั้นอนุโลมให้เห็นตามอริยสัจให้ได้ถ้าอนุโลมต่อการเห็นอริยสัจไม่ได้ก็ยังไม่เรียกว่าคนปฏิบัติดีอะไรถึงจะไปนั่งหลับตาถึงจะไปเดินไปยืนไปทําอะไรก็ได้ที่ถ้าไม่อนุโลมต่อการเห็นอริยสัจนะ <sk ill> ก็ยังไม่เรียกว่าปฏิบัติดีอะไรเพราะฉผู้ที่ปฏิบัติดีอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่ปฏิบัติต่ อ, อการอนุโลมต่อการเห็นอริยสัจเนี่ยนะในทุกทวารและทุกอิริยาบถ ทุกอารมณ์แล้วพระสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่เรียกว่าผู้ปฏิบัติดีเพราะปฏิบัติอยู่ในอป จ, จินิกะ ป, ปฏิปทาแปลว่าปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกต่อพุทธพจน์ไม่ยอมปฏิบัติทําตัวเป็นศัตรูต่อพระพุทธเจ้าไม่ร้องเรียกพระพุทธเจ้าโดยความเป็นข้าศึกศัตรู ผู้ที่ไม่ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนเรียกว่ารร้องเรียกหาพระพุทธเจ้าโดยความเป็นศัตรูแต่ท่านร้องเรียกหาพระพุทธเจ้าโดยความเป็นเป็นมิตรเนี่ยนะเป็นกลยานมิตรนะนะทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยอนุโลมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะโอนตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านี้คือผู้ปฏิบัติประเภทธรรมานุธรรมปาติปติปฏิบัติธรรมสมควรแกโลกุตรธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่โสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลแก่พระนิพพานที่เป็นอารมณปัจจัยของโสดาปฏิมัคโสดาปฏิพนท่านเหล่านี้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่สกทาคามิมัคสกทาคามิผลและพระนิพพานที่เป็นอารมณปัจจัยของสกทาคามิมัคสกทาคามิผลท่านปฏิบัติอนุโลมตามสมควรแก่อนาคามิมัคอนาคามิผลและพระนิพพานที่เป็นอารมณปัจจัยของ อาาคามีมรักอาณาคามีผลท่านปฏิบัติธรรมสมควรแก่อรหัตมรักอรหัตผลและนิพพานที่เป็นอารัมมณะปัจจัยของอรหัตมรักอรหัตผลพระนิพพานในฐานะอารัมมณะปัจจัยของมรักผลท่านปฏิบัติจนสมควรจริงๆเรียกว่าปฏิบัติคล้อยตามโลกุตรธรรมทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยคล้อยตาม โลกุตรธรรมอย่างเดียวเรียกว่าธรรมมนุธรร ม, มปฏิปติทุกอย่างนี่โอนไปหาโลกุตรธรรมอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ผู้เคารพธรรมเนี่ยคำสอนของพระองค์ทุกอย่างพระองค์มีเป้าหมายชัดเจนมีธงธงชัยเนี่ยนะธงแห่งชัยชนะตั้งเอาไว้ชัดเจนว่าโลกุตรธรรมเพราะพระพุทธเจ้านี่เคารพธรรมชั้นใดก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีก็ปฏิบัติอนุโลมตาม โลกุตรธรรมที่เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเพราะโลกุตรธรรมนี่เป็นของพระพุทธเจ้าจริงๆในฐานะผู้ค้นพบผู้บอกผู้กล่าวผู้เอามาแต่งตั้งประกาศเปิดเผยธรรมให้เตือนมามาแนะนำะนะนั้นเมื่อตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เลยกลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นโอรสที่เกิดจากอกอกของพระพุทธเจ้าหมายถึงอะไรอกคือธรรมเทศนา เกิดจากธรรมเทศนาเกิดในที่สุดธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบรรท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงจรงิจรงๆเพราะการปฏิบัติของท่านเนี่ยนะอุชุปแปลว่าตรงตรงนี่มันตรงกันข้ามกับอะไรตรงกับข้ามคําว่าโงอตรงกันข้ามกับคําว่าคดตรงกันข้ามกับคําว่าซิกแซกใช่ไหมซิกแซกนีน่อะไรไม่รู้ภาษาไหนไมัรู้ซิกแซกไม่ใช่ภาษาไทยกันแล้วกันเนาะ แปลว่ากลับไปกลับมากลับมากลับไปอะไรนะประเภทแบบนั้นแหละพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นไอ้พวกปฏิบัติไม่ตรงนี้เป็นยังไงก็คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วขึ้นขลงลงลงลงขึ้นขึ้ น, นเป็นต้นพวกนี้แหละเรียกว่าไม่ดีจริงปฏิบัติยังคดอยู่ยังงออยู่เพราะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รักษาศีลเดี๋ยวก็ไม่รักษาศีล เดี๋ยวก็ทู่ศีลเดี๋ยวก็รักษาศีลเดี๋ยวก็มีเมตตาเดี๋ยวก็โกรธอย่างเง้ยนะสลับกันไปขึ้นลงขึ้นขึ้ น, น, นไม่มีความแน่นอนอะไรเลยแปรปรวนทางความคิดเป็นปกติเนี่ยนะแปรปรวนทางกายวาจาและใจเป็นธรรมดาพวกนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติอย่างไม่ไม่ตรงเพราะอะไรเพราะไม่มีความสม่ำเสมอทางกายวาจาและใจแต่ที่สาคัญตรงนี้หมายว่าคาว่าปฏิบัติตรงเนี่ยคือตรงต่ออะไร ตรงต่อโลกุตรธรรมตรงต่อการกําหนดรู้ทุกตรงต่อการละสมุ ท, ทัยตรงต่อการ ท, ทําพระนิพพานให้แจ้งตรงต่อการเจริญกุศลธรรมโดยเฉพาะอริย ม, มรรคทั้งหลายท่านเหล่านั้นปฏิบัติตรงแล้วก็ตรงในที่นี้ก็คือเป็นไปตามคําสอนทุกประการเนะเป็นไปตามคําสอนทุกประการทีนี้คําว่าเป็นไปตามคําสอนคําสอนของพระพุทธเจ้ากี่ธรม 84, ร, ธรมขัน 84,000 พระธรรมขัน ไม่ไม่ได้แปลว่าท่านทําตามได้ครบนั้นทุกกระเบียดนิ้วไม่ใช่แต่หมายคำว่าท่านปฏิบัติไม่ขัดต่อคําสอนเหล่านั้นเลยแต่ไม่ได้แปลว่าท่านทําตามนั้นได้ทุกอย่างเพราะเพราะในแปดหม่ี่พันพระธรรมคันหลายอย่างกล่าวถึงวิสัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่วิสัยของพระสาวกพระสาวกจะไปทําตามทั้งหมดเหล่านั้นได้อย่างไรแต่สรุปว่าท่านอนุโลมตามคําสอน เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะมากมายขนาดไหนสองเคราะห์ลงมาจับเป็นกลุ่มก้อนก็เหลือแค่สามประการใช่ไหมคืออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาตัวอัฏฐสาระจริงๆอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาศีล์นเนี่ยตรงทางกายและวาจาสมถาวิปัสนาอธิจิตอธิปัญญาตรงทางใจเนี่ยนะเป็นกายวาจาใจที่ไม่คดเพราะตรงต่อความ สิ้นทุกเนี่ยนะตรงต่อความพ้นทุกข์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอะไรปฏิบัติยังไงญายะปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโฆเป็นผู้ปฏิบัติญาญาเนี่ยนะญายธรรมนี่เป็นชื่อของพระนิพพานท่านเป็นผู้ปฏิบัติโดยสมควรแก่พระนิพพานท่านปฏิบัติเพื่อญาญธรรมคือพระนิพพานปฏิบัติเพื่อให้เห็นพระนิพพาน นิวานะทั้งทวรนะนิพานคืออะไรก็คือนิวานะปฏิบัตเพื่อความสิ้นตัณหาในปียรูปสาตรูปเนี่ยนะปฏิบัตเพื่อตัดฉันนราคะในปียรูปสาตรูปผลพร น, นิพานอะนะนิโรดนิโ ร, โรสัจะที่ไหนใช่ไหมที่ใดเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่นั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นั้น ทีนี้ถ้าจะตัดตัณหาเรียกวันนิวานะความสิ้นตัณหาการละตัณหาดับตัณหาจะ ล, ะละที่ไหนที่ใดเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกเป็นที่พอใจในโลกบุคคลเมื่อจะละตัณหาก็ละที่นั่นนั่นแหละเมื่อจะดับตัณหาก็ดับที่นั่นนั้นการกระทำทุกอย่างของท่านน้อมไปเพื่อดับตัณหาในปิยรรปสาตรูปเพราะปิยรูปสาตารูปนี่แหละเป็นต้นเหตุแห่งความ เศ้าโศกเสียใจพิไรรำพันเป็นต้นเหตุแห่งชาติชรา ม, มรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตปัญญายะปฏิปันโนนั้นเน้นไปที่การปฏิบัติธรรมที่สมควรต่อพระนิพพานโลกุตระธรรมส่วนสามีจิต ป, ปฏิปันโนหมายถึงว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่การเคารพสมควรแก่การกราบสมควรแก่การไหว้เนี่ย สมควรแก่การนับถือจริงๆท่านปฏิบัติสมควรแก่การเคารพ บ, บูชาสมควรแก่การนับถือสามีจิกรรมเนี่ยแปลว่าการกระทำที่สมควรวันเมื่อท่านปฏิบัติดีทางกายวาจาใจอย่างนี้แล้วจึงสมควรแล้วที่ผู้อื่นจะกราบจะไหว้จะลุกรับจะเชื้อเชิญเนี่ยนะที่จะเคารพสักการะท่านเหล่านั้นวันท่านปฏิบัติทำสมควรแก่การเคารพกราบไหว้